เมื่อท่านอุปติสะและโกลิตะได้อุปสมบทแล้วเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายนิยมเรียกท่านว่าสารีบุตรและโมกัลานะแม้พระตถาคตเจ้าเองก็ตรัสเรียกอย่างนั้นเหมือนกันนามอุปติสะและโกลิตะได้หายไปพร้อมกับการอุปสมบทของท่านทั้งสองพระโมคขลานะเมื่ออุปสมบทแล้วได้เจ็ดวัน ไปทำความเพียนอยู่ณใกล้หมู่บ้านกาลาวาลมุตคามถูกความง่วงครอบงำไม่อาจให้ความเพียรดำเนินไปตามปกติได้พระาศาสดาเสด็จไปณที่นั้นทรงแสดงอุบายสำหรับแก้ง่วงเช่นเมื่อความง่วงครอบงำให้เอาใจใส่ใคร่ครวนถึงธรรมที่ได้ฟังแล้วได้ศึกษามาแล้วถ้ายังไม่หายง่วงควรสาธยายธรรมที่ได้ฟังมาแล้ว ศึกษามาแล้วถ้ายังไม่หายง่วงควรย้อนช่องหูทั้งสองข้างเอาฝ่ามือรูปตัวไปมาบ่อยๆถ้ายังไม่หายง่วงควรลุกขึ้นยืนแล้วรูปในตาด้วยน้ำเหลียวดูทิศทั้งหลายแหนดูดาวนักษัตร์เลิกถ้ายังไม่หายง่วงควรทำในใจถึงแสงสว่างว่าบัดนี้สว่างแล้วสว่างแล้วทาจิตให้มีแสงสว่างเกิดขึ้น ให้รู้สึกว่าเหมือนกันทั้งกลางวันและกลางคืนมีใจเปิดเผยไม่มีอะไรหุ้มหอ่อถ้ายังไม่หายง่วงควรเดินจงกรมคือเดินกลับไปกลับมาพิจารณาข้อธรรมสำรวมอินทรีย์ไม่ทรงจิตไปภายนอกถ้ายังไม่หายง่วงพึงนอนแบบสีหะสายยาคือตะแคงขวาซ้อนเท้าให้เหลื่อมกันเล็กน้อยมีสติสัพพัญญะ ตั้งใจจะลุกขึ้นทันทีเมื่อรู้สึกตัวครั้งแรกด้วยมโนสิการว่าเราจักไม่แสวงหาความสุขจากการนอนจากการเอนหลังจากการเคลิมหลับดูก่อนโมคฆลานะพระาศาสดาตรัสต่อไปอีกอย่างหนึ่งเธอควรสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ชูงวงคือถือตัวทะนงตนเข้าไปสู่ตระกูลเพราะ ถ้าพิษุชูงวงเข้าไปสู่ตรกูลเธอจะร้อนใจเป็นอันมากบางครั้งบางคราวครุหัดทั้งหลายเป็นผู้มีกิจมากมีธุระมากอาจไม่ได้นึกถึงพิษุผู้เข้าสู่ตรกูลพิษุผู้ชูงวงอาจคิดมากว่าบัดนี้ใครหนอยุยงให้เราแตกจากตรกูลนี้มนุษย์พวกนี้จึงมีอาการห่างเหินเรามีอาการอิจนารอาใจต่อเราเมื่อไม่ได้อะไรๆจากตรกูลนั้น เธอก็เก้อเขินครั้นเก้อเขินก็เกิดความคิดฟุ้งซ่านไม่สารวมเมื่อไม่สํารวมจิตก็จะห่างจากสมาธิโมคลานะอีกอย่างหนึ่งเธอควรสําเหนียกว่าเราจักไม่พูดคําอันเป็นเหตุให้ต้องเถียงกันถือผิดต่อกันเพราะเมื่อมีถ้อยคําทานองนี้ก็จะต้องพูดมากเมื่อพูดมากก็เกิดความฟุ้งซ่านครั้นฟุ้งซ่านก็จะเกิดการไม่สารวม เมื่อไม่สำรวมจิตก็จะเหินห่างจากสมาธิโมคลานะอีกอย่างหนึ่งเราไม่สรรเสริญการคลุกคลีด้วยหมู่ชนทั้งขรุขรหและบรรพชิตแต่เราสรรเสริญการอยู่ในเสนาสะนะอันสงัดควรเป็นที่อลีกเ้นอยู่ตามสมณะวิสัย พระราดาพระบรมพุทธวาสของพระศาสดาในเรื่องอุบายแก้งง่วงก็ดีเรื่องการยกงวงชูงาก็ดีเรื่องเว้นการพูดถ้อยคําอันเป็นเหตุให้เถียงกันก็ดีและเรื่องการอยู่ในเสนาสนะสงัดก็ดีควรเป็นเรื่องเตือนใจอันสําคัญของพุทธศาสนิกทั้งคฤหอขัดและบรรพชิตพระราดาเอ่ยการชูงวงคือความทะนงตนนั้นเป็นกิเลสร้ายอย่างหนึ่ง ซึ่งครอบงำจิตของมนุษย์อยู่ทั้งครหอัสและบรรพชิตพระาศาสดาทรงเรียกมันว่ามานานุสัยอนุสัยคือมานะกิเลสที่นอนสยบอยู่ในขันธสันดานเมื่อถูกกวนก็จะฟูขึ้นทันทีมานะมีลักษณะให้ทนงตนว่าแกเลวกว่าข้าบุคคลผู้มีมานะจัดย่อมมีลักษณะเชิดชูตนจัดอวดตนจัดยกตนข่มผู้อื่นเนื่งเนือง มองไม่เห็นใครดีหรือสาคัญเท่าตนซึ่งเป็นการมองที่ผิดตามความเป็นจริงแล้วบุคคลย่อมมีความสำคัญตามฐานะของตนของตนแม่บุคคลผู้หนึ่งจะเป็นเสมือนไม้กวาดและผ้าเชี้ยเริ้วส่วนบุคคลอีกผู้หนึ่งเป็นเสมือนดอกไม้ในแจกันก็ตามไม้กวาดและผ้าเชี้ยเริ้วย่อมมีความหมายและมีความสำคัญอย่างไม้กวาดและผ้าเี่วริว้วส่วนดอกไม้ในแจกัน ก็มีความหมายและมีความสำคัญอย่างดอกไม้ปราศจากไม้กวาดและผ้าเชี่ริวเสียแล้วบ้านเรือนจะสะอาดได้อย่างไรแต่บ้านเรือนอาศัยเครื่องประดับเป็นสิ่งเชิดหน้าชูตาข้อนี้ฉันใดชุมชนก็ฉันนั้นต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันไม่ควรดูหมิ่นกันและไม่ควรริษยากันอันเป็นเหตุให้เดือดร้อนทั้งสองฝ่ายพระดาอันไม้พันธุ์ดีนั้น ถ้ายือนอยู่เดียวโดดไม่มีพันุอื่นต้านลมหรืออันตรายต่างๆมันก็ดํารงอยู่ได้ไม่นานคนดีหรือคนสูงก็เหมือนกันไม่ควรอวดดีมินคนต่ำเพราะคนต่ำนั่นเองได้เป็นป้อมปราการป้องกันอันตรายให้และเป็นฐานรองรับให้สูงเด่นอยู่ได้ควรมีเมตตากรุณาช่วยส่งเสริมเขาอย่างน้อยเขาต้องมีคุณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือด้านใดด้านหนึ่ง เหมือนไม้แม้พันไม่ดีก็ช่วยต้านลมให้ได้เมื่อลมตายลงก็ช่วยเป็นปุ๋ยให้ได้จริงอยู่เราปลูกหญ้าให้เทียมตาไม่ได้แต่หญ้าก็มีประโยชน์อย่างญ้าช่วยให้ดินเย็นเมื่อตัดให้เรียบร้อยก็ดูสวยงามและนั่งเล่นได้เป็นต้นเจดียที่สวยงามต้องมีทั้งยอดและฐานชันใดชุมนุมชนก็ฉันนั้นต้องมีทั้งคนสูงและคนต่ำ คนที่เป็นยอดและเป็นฐานต่างทำหน้าที่ของตนไปให้ชุมนุมชนดำเนินไปได้โดยสงบเรียบร้อยในรายที่ความทะนงตนไม่ได้เปิดเผยโจงแจ้งก็อย่าได้นอนใจว่าไม่มีมันอาจแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ลึกๆคอยโอกาสอยู่ใจเผลอขาดสติสัพชัญญะเมื่อใดมันจะแสดงตนทันทีบางทีก็เป็นไปอย่างหยาบคายบางทีเป็นไปอย่างละเอียดอ่อน อาหางการหรืออสมิมาณะคือความทนงตนนั้นให้ความลำบากยากเข็นแก่มนุษย์มานักหนาแต่มนุษย์ก็ยังพอใจถนอมมันไว้เหมือนดอกไม้ประดับเสียนซึ่งจะก้มลงไม่ได้กลัวดอกไม้หล่นมันเหมือนแผงค้ำคอทำให้คอแข็งหน้าเชิดแล้วเอาศีรษะกระทบกันต้องปวดเสียนเวียนกล้าวตามๆกันไปลงตรองดูเถิดความโกรธ ความเกลียดชังกันความแก่งแย่งแข่งดีการคิดทำลายกันล้วนแตกกิ่งก้านมาจากลำต้นคืออาหารการหรือทนงตนทั้งสิ้นถ้าลำต้นคือความทนงตนการถือตัวจัดถูกทำลายแล้วตัดให้ขาดแล้วการกระทบกระทั่งย่อมไม่มีจิตสงบราบเรียบและมั่นคงเป็นความสงบสุขสมดังที่พระบรมศาสดาตรัสว่า การถอนอสมิมาณะเสียได้เป็นบรมสุขดังนี้วิธีถอนอสมิมาณะนั้นในเบื้องต้นให้พิจารณาเห็นโทษของความโถนงตนว่าเป็นเหตุให้ทำความเสียหายนานาประการแล้วพยายามบรรเทาด้วยความพยายามเข้าอกเข้าใจผู้อื่นให้อภัยผู้อื่น เห็นความสำคัญของผู้อื่นเรามีชีวิตอยู่ด้วยความสำคัญของผู้อื่นทิฏฐิมานะจะได้ลดลงการถ่อมตัวจะเพิ่มขึ้นแทนที่จะเสียหายกลายเป็นคนหน้าเคารพกราบไหว้สอให้เห็นคุณธรรมภายในดูเถิดพระดาดูส้มที่มีผลดกกิ่งย่อมโน้มน้อมลงข้าวรวงใดเม็ดเต็มรวงย่อมน้อมลง เสมือนจะนอบน้อมโค้งให้แก่ผู้สัญจรแต่ส้มกิ่งใดาตายไม่มีผลเลยข้าวรวงใดรีบส้มกิ่งนั้นและข้าวรวงนั้นจะแข็งทื่อทีโดกระด้างฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นคนใดมีคุณภายในคนนั้นย่อมอ่อนน้อมถ่อมตนปราศจากความกระด้างอวดดีถือตัวจัดมองคนไม่เป็นคน ประการสําคัญในการถอนอสมิมานะก็คือให้มนสิการเนืองว่าตัวตนที่แท้จริงนั้นไม่มีสิ่งทั้งปวงอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยปัจจัยมากมายดําเนินไปมันเป็นอนัตตาอยู่โดยแท้เราพากันเข้าใจผิดไปเองว่ามีตัวตนที่แท้จริงคนที่ทะนงตนว่าสําคัญนั้นยังมีสิ่งอื่นที่สําคัญกว่าตนอยู่มากมายข้าวน้ําเสื้อผ้าอาหาร ลมหายใจและยาแก้โรคล้วนแต่สำคัญกว่าบุคคลนั้นทั้งสิ้นเพราะเขาต้องอาศัยมันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันขาดไม่ได้แม้คนที่ได้ประสบความสำเร็จในการงานด้านใดด้านหนึ่งก็หาสำเร็จไปคนเดียวได้ไม่ต้องอาศัยปัจจัยอื่นมากมายจะรณนายไม่หมดสิ้นยาทนงตนไปเลยในประการต่อมาพระาศาสดาทรงประธานพระพุทธวาท มิให้ยินดีในถ้อยคำอันเป็นเหตุเถียงกันเพราะถ้าเถียงกันก็มีเรื่องต้องพูดมากเมื่อพูดมากก็เกิดความฟุ้งซ่านจิตจะห่างเหินจากสมาธิพระดา มีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเชิดชูตนด้วยการประทะคารมกับผู้อื่นต้องการอวดฝีปากให้คนทั้งหลายชื่นชมว่าเป็นปราดมีปัญญามากหาผู้เสมอเหมือนมิได้เจตนาเช่นนั้นนำไปสู่การทะเละวิวาทการทะเละวิวาทนำไปสู่การแตกสามัคคีการแตกสามัคคีนำไปสู่ความเสื่อมนาน า, นาประการบางประเทศต้องเสียบ้านเมืองให้แก่ข่าศึก เพราะคนในบ้านเมืองแตกสัมมคีกันข้อนี้มีตัวอย่างให้เห็นอยู่มากมายวิธีหลีกเลี่ยงถ้อยคำอันเป็นเหตุให้เถียงกันก็คืออย่าพูดจาเมื่อเวลาโกรธและอย่ายึดมั่นทิฐิของตนมากเกินไปจนกลายเป็นคนหลงตัวเองการกระทำด้วยความหลงตัวเองมีแต่ความผิดพลาดเป็นเบื้องหน้าประการต่อมาทรงโอวาทพระมหาโมคลานะว่า ทรงสรรเสริญการอยู่ในเสนาสนะที่สงัดไม่สรรเสริญการคลุกคลีด้วยหมู่คณะทั้งบรรพชิตและคฤือหัดบรรพชิตผู้บวชแล้วมีเจตนาในการสแสวงหาวิเวกเบื้องแรกต้องได้กายวิเวกก่อนจิตวิเวกคือความสงบทางจิตจึงจะเกิดขึ้นเมื่อความสงบจิตเกิดขึ้นอุปธิวิเวกคือความสงบกิเลสจึงตามมา พระดามีอาสวะมากมายเกิดขึ้นเพราะการคลุกคลีไม่ว่าฝ่ายบรรพชิตหรือคขลังหัดทั้งนี้ท่านมิได้ห้ามไม่ให้ชุมนุมเมื่อมีกิจจําเป็นแต่เมื่อสิ้นธุระแล้วก็ควรจะอยู่อย่างสงบเพื่อได้รู้จักตัวเองให้ดีขึ้นคนส่วนมากพยายามจะรู้จักคนอื่นวันหนึ่งวันหนึ่งให้เวลาล่วงไปด้วยการอยู่กับคนอื่นโอกาสที่จะอยู่กับตัวเองมีน้อย จึงรู้จักตัวเองน้อยตราบใดที่บุคคลยังไม่รู้จักตัวเองยังไม่เข้าใจตัวเองตราบนั้นเขาจะพบความสงบสุขภายในไม่ได้และจะเข้าใจผู้อื่นไม่ได้ด้วยการอยู่อย่างสงบจึงเป็นพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนเพราะผู้มีใจสงบย่อมไม่คิดเบียดเบียนเมื่อพระบรมศาสดาตรัสพระธรรมเทศนานี้จบลงแล้วพระมหาโมคคลานะทูลถามว่า ด้วยข้อปฏิบัติอย่างไรภิกษุชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จอย่างยิ่งเกษมจากโยคะธรรมอย่างยิ่งเป็นพรหมจรีบุคคลอย่างยิ่งพระเสดิฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระศาสดาตรัสตอบว่าโมคลานะพิษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าทำทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นครั้นได้สดับดังนี้แล้ว เธอทราบทำทั้งปวงชัดด้วยปัญญายิ่งครั้นทราบทำทั้งปวงชัดอย่างนี้แล้วย่อมกำหนดรู้ทำทั้งปวงครั้งกาหนดรู้ทำทั้งปวงดังนี้แล้วเธอได้ประสบเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีทุ ก, ก็ดีไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขก็ดีย่อมพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงเมื่อเป็นดังนี้เธอย่อมมีปัญญาในทางเบื่อหน่ายในทางดับ ในทางสละคืนซึ่งเวทนาทั้งปวงเมื่อเป็นดังนี้ย่อมไม่ยึดมั่นสิ่งไรสิ่งไรในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งวาดวันเมื่อไม่สะดุ้งหวาดวันย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนและทราบชัดว่าความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกแล้ว ว่าโดยย่อข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แหละภิกษุชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสาเร็จอย่างยิ่งกระเสริจากโยคะธรรมอย่างยิ่งเป็นพรหมจารีบุคคลอย่างยิ่งถึงที่สุดอย่างยิ่งประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระดาพระพุทธโอวาที่ว่า ทำทั้งปวงคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนาเป็นยอดแห่งธรรมอันเป็นไปเพื่อความดับทุกข์โดยไม่มีเชื้อเหลือคือดับทุกข์โดยสิ้นเชิงสิ่งใดที่บุคคลเข้าไปยึดมั่นแล้วจะไม่ก่อให้เกิดทุกขนั้นหามีไม่แต่โลกนี้มีเหยื่อล่อเพื่อให้ผู้ไม่รู้เท่าทันติดอยู่สยบอยู่มกมุ่นพัวพันอยู่ แล้วโลกก็นำทุกเจือลงไปแทรกซึมลงไว้ในสิ่งที่บุคคลติดอยู่หมกมุ่นพัวพันอยู่นั่นเองโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดใครขนขวายให้เต็มปรารถนาในอารมณ์ของโลกก็เหมือนตักน้ำไปรดทะเลทรายหรือเหมือนขนน้ำไปเทลงในมหาสมุทรเหนื่อยแรงเปล่าชาวโลกจึงมีความเร่าร้อนดิ้นรนเพื่อให้เต็มความปรารถนาแต่ก็หาสาเร็จไม่ ยิ่งดื่มอารมณ์โลกสุขเวทนาอย่างโลกโลกก็ดูเหมือนจะเพิ่มความอยากให้มากขึ้นเหมือนดื่มน้ําเค็มยิ่งดื่มยิ่งกระหายหรือเหมือนคนเก่าแผลคันยิ่งเกายิ่งคันยิ่งคันยิ่งเกาวนเวียนอยู่อย่างนั้นสู้คนที่พยายามรักษาแผลให้หายแล้วไม่ต้องเก่าไม่ได้เป็นการดับที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงพระมหาโมคคลานะ ฟังพระธรรมเทศนานั้นแล้วปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทได้สำเร็จพระอรหัตผลในวันนั้น